นวซีวัถิกายะนะเซีวะนวซีวัถิกาปรับบังจบข้อกำหนดด้วยปาชาเก้ากายกายานุปปสนาสติปัฏฐานจบกายานุปัสนาสติปัฏฐานไปดูไปกำหนดดูไปอ่านดูคำแปลนะ โอ้ยคอมแลกเเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยอ่า <c oughs> อาดูไปกาหนดดูแสบแบอร่อยอืมเนี่ยก็ให้กาหนดดูความปฏิกูลโสโครกของร่างกายของเราถ้าตายไปแล้วเนี่ยหวันสองวันสามวันขึ้นอีดขึ้นอืดขึ้นเขียวขึ้ น, น, น, น, นเหลืองอหน้าใส่ดสะเอียนหน้ากลัว เสร็จแล้วกลินล่นคลุงดูความปฏิกูลโสโครกของร่างกายเอาสติกําหนดดูสติอธิกายโยติวาปนัสสสติปจุปจิตาโหติร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้อธิกายโยติวาปนัสสสติปจุปจิตาโหติ อยังปีโคกายโยกายนี้เป็นอย่างนี้อยัมปิโคกายโยกายนี้เป็นอย่างนี้เอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังพาวีเอวังอนัตีโตเป็นธรรมดาอย่างนี้มีภแปลว่เป็นอย่างนี้อไม่ผลจะไม่ไปได้เราก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้น เป็นธรรมด า, ากรรมด้วยการตายหนึ่งวันสองวันสามวันขึ้นอ่ดขึ้นเขียวขึ้นเหลืองสองกลิ่นครงุงต่อไปกถูกสัตว์มากัดมายื้อมาแย่งสัตว์ตัวนั้นกัดสัตว์ตัวนี้กัดดึงไปคนละทิศคนละทาง ดึงไปฉีกไปกินโแรงพวกตาดึงไปฉีกไปกินร่างกายของเราก็จะเป็นอย่างนี้ร่างกายของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ร่างกายของเราก็จะเป็นอย่างนี้อายมปิโคกายโยวังธรรมโมเวังพาวีเอวังอนัตติโต มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ค้นจากอย่างนี้ไปได้อาศัยสักสติอาศัยสติสักทาวรเล็กรู้สติปัจจุปจิตาโหติอาศัยสั ก, สาส ก, สกถาวาสติเป็นเครื่องระลึกรู้ เดวะยานมัตายะปฏิสติมัตตาอ น, นิสิโอจาวิหรารตินะจักินเจโลเกอปาดิยติยวิกรมพิโคพิโเวพิโคกายะกายานุปัชีวิหรารติตามระลึกดูอยู่เรื่อยๆอยู่หนึ่งนอย่างนี้มีแต่เรื่องปฏิกูลมีแต่เรื่องโสโครบเลือดเนื้อหนังเหือดแห้งไปเอดเอ็นัดเึงกระดูก เือเลือดบ้างเปื่อนอะไรบ้างวันคืนล่วงไปเท่านั้นเท่านี้หมดเลือดหมดเนื้อหมดเอ็นเหลือแต่หมดเลือดหมดเนื้อเหลือแต่เอ็นรัดรึงกระดูกอยู่หมดเอ็นรัดรึงกระดูกกระดูกก็จะกระจายอยู่เนี่ยต้องพูดถึง ร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงผลความเป็นอย่างนี้ไปได้ทีไกยโยติวาปนัสสะสติปจุปติตาโหติสัตทวสติเป็นเครื่องระลึกรู้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้า เยวเเดวว่าเนามัตตาญาติสติมัตตาญาอนนี้สโตจะมะรติดไมจากินปลอกก้วประดิษฐ์เดียววันิเขว่าพี่ขู่กกา ย, กยนอพชิวิหรารติดไปดูนะไปดูคำแปลดูแล้วก็ดูมาที่ตัวเราเนี่ยดูแล้วก็ย้อนมาที่ตัวเราไม่ให้มีคำว่าเราอยู่ในนั้น อาศัยศักดิ์ศัดิ์วาอาศัยสติระลึกรู้พิจนากำหนดดูอยู่นั่นแหละจนเห็นเป็นติดหูติดตาติดใจได้ผลปรากฏมาเกิดความเบือ่อเกิดความนายเป็นนิพพิธาความเบื่อนายโซ่คราะในมนุษย์เรานะ่ยมนุษย์เนี่ยโซ่ขบโซ่คราะ หน้าเบื่อหน่ายน้าเกลียดน้ากลัวหน้าเสียดสีเอียนวันนั้นมนุษย์ถูกราคะมาครอบงําปิดหูปิดตาปิดจิตปิดใจแล้วก็สวยไปหมดงามไปหมดเห็นคลุ้งกว่าหอมไปหมดหัวหน้าเสียดสีเอียนค่ะงามไปหมดสมมุติว่าสมมติว่ า, ม, วามันมีความกําหนัดอยู่ที่ใจ สมมติว่ามันมีความกำนัดอยู่ที่ใจแม้จะมองเห็นศพขึ้นอืดขึ้นเขียวขึ้นเหลืองอน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยอะกลิ่นคลุ้งไปหมดก็ตามก็ยังมองเห็นว่าเป็นงามอยู่นะเพราะการมราคะมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันมองเห็นเป็นงามไปหมดนี่เราดูความหลงของมันมันหลงถึงขนาดนั้น ต้องจับมาให้มันดูทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนสอนมันทุกวันทุกวันทุกวันและจับในเรื่องป่าช้าอย่างเดียวข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นเหตุให้เราสามารถเข้าถึงธรรมะได้เพราะในการพิจารณาอยู่ในนั้นไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีอัตตาตัวตนของเราเห็นสักเทรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดาต้องเป็นอย่างนี้ ดงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เขาก็เป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้ลงลงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ถ้าปลงถึงขนาดนี้แล้วเขาเรียกว่าปรงตกถ้าปรองจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเลยจากสมมุติไปหมดมันเลยจากสมมุติไปหมดเลยจากบัญญัติไปหมดปรงลงถึงหลักธรรมชาติ ธรรมดาธรรมดาเขาเมันอ๋อมันมอยู่อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันจะล่งพ้นจากอย่างนี้ไปไปไม่ได้ไม่มีความดีใจไม่มีความเสียใจไม่มีความเสียเสียนไม่มีความรังเกียจไม่มีอะไรสติสักทวาระลึกรู้สักทวะรู้เห็นสักถวะเห็นระลึกรู้ก็สักถวะรู้สีก็สักทวะรสีกลิ่นก็สักถวะกลิ่นสันฐานแตกกระจายกระจายก็สักทวะสันฐานสติเป็นผู้ระลึกรู้ ไม่ให้ตันหามันครอบงมจิตถ้าตันหายังครอบงามจิตอยู่เห็นกระดูกขาวโพลนมันก็ยังว่างงามอยู่นะมั น, นก็ยังกำหนัดยินดีอยู่ในกระดูกขาวโพลนอยู่นะเห็นศพเน่าเฟะน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยิ้มเนี่มันก็ยังกำหนัดยินดีอยู่ในนั้นอยู่นะเราดูนะอำนาจของมันฮะกระดูที่มนุษย์เราเป็นๆ น, นี่มันก็ซากศพเราดีๆนี่เองถ้าไม่หลงขนัด น, นะ โอ้มนุษย์พิจนารณาดูไปเถอะความหลงของมนุษย์นะมันสำคัญมันมีสิ่งพาหลงเนี่ยที่เราควรย้อนไปดูมันบ้างสิ่งที่มันพาหลงนะทำไมมันปิดหูปิดตาแน่นหนาเหลือเกินนะแล้วก็ตัวนี้แหละเป็นตัวมัดมือมัดตีนมัด จิตมัดใจเราให้อยู่ในตกค้างอยู่ในโลกมัดจิตมัดใจเราให้ตกค้างอยู่ในโลกดูตามหลักท่านพูดถึงพระอนาคามีท่านไม่กลับมาเกิดในโลกนะเพราะหมดสิ่งดึงดูดแล้วทละธนะราคะธนะราคะธนละโทสะได้หมดพระอนาคามีละความกำนัดยินดีในโลกละได้หมด รูปที่ที่เราเห็นได้ด้วยตาไม่ไม่ใช่รูปปัจจัญญานะยังติดค้างอยู่ในรูปปัจจัญญาอยู่รูปปัจจัญญารูปฌานอารประฌานรูปประฌานรูปฌานอารประฌานยังติดค้างอยู่รูปปาราคะยังติดยังยินดีอยู่ในรูปรูปที่เป็นรูปปัจจัญญาอรูณ์ปาราคะยังติด ติ ด, ดอยู่ในะอารมณ์ที่เป็นสัญญาติดค้างอยู่ในใจติดอยู่ที่ใจตัวเองติดอยู่ที่ใจแต่รูปที่มองเห็นเนี่ยผ่านหมดผ่านพ้นไปแล้ว อ, อตายไปแล้วก็เกิดในพรหมโลกหมดหมดเยื่อใหยที่จะลงมาเกิดในโล ก, โลกมนุษย์อีกไม่ลงมาเกิดโน่นไปเกิดบนพรมชั้นพรมบนสุดชั้นพรมสุดทาวาส วิหาอตับปลาสุทัสสาสุทัสีอคณาริฐาวิหาอตับปลาสุทัสสาสุทธสีอคณาริฐาและพัฒนาไปเรื่อยจนถึงอคณาริฐาอคณาริฐาแปลว่าไม่เป็นน้องใครแหละถ้าเปลี่ยนผลไม้ก็สุกงอมเต็มที่แหละมีลมมีคนมาเขย่ามีสัตว์มาถูกอะไรก็ตามไม่อะไรก็ตามอยู่ๆก็ลนตุกลงมาสุกเต็มละสุกเต็มรอบแล้ว หลุดจากขั้วตับ๊บคือกิเลสมันหลุดจากขั้วหลุดจกากขั้วกิเลสแหะหลุดตั๊บลงมาเลยมันหมดเยื่อใยแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นแตงกะหลุดจากขั้วเลยแหละใครเคยปลูกมัแตงมักแตงแต ง, แตงไทยอ่ะใครเคยปลูกเวลามันสุกงอมเต็มที่แล้วครมันก็หลุดเองเลยเราถูกก็ตามเราไม่ถูกก็ตามมันหลุดจากขั้วเองเลย คือสังโยชน์ทั้งหมดนะมันหลุดออกจากหัวใจรู ป, ปราคะารู ป, ปราคะมานะอุทธัจฉะอวิชชาอาวิชชามันหลุดจากหัวใจแต่มันละเอียดดูแต่ดูแต่ท่านพูดถึงมานะก้ามานะก้าวันนั้นเราไปพูดที่วัดสังฆทานเราก็เน้นถึงเรื่องมานะก้ามานะก้าวนี่ละเอียดอื ถ้าไม่ใช่ขั้นพระอรหันแรนเนี่ยมานะก้าวยังโลกคลำจิตดวงนั้นอยู่มานะมานะก็คือความถือตัวตัวดีกว่าเขาตัวเร็วกว่าเขาตัวเสมอเขาตัวดีกว่าเขาตัวเสมอเขาตัวเร็วกว่าเขาตัวดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาตัวดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาตัวดีกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาคําว่าสําคัญก็คือเข้าใจเอา ยึดหมยเอาหมยเอากําหนดกฎเกณฑ์เอาบังคับเอาคิดเอาคิดเอาคาดเอาเดาเอาตัวดีกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาตัวดีกว่าเขาสำคัญว่าเรวกว่าเขาตัวเสมอเขาสาคัญว่าดีกว่าเขาตัวเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาตัวเสมอเขาสำคัญว่าเรวกว่าเขา ตัวเลวกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาตัวเลวกว่าเขาสําคัญว่าเสมือนเขาตัวเลวกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาผิดผิดทั้งหมดไม่ใช่ถ้ายังมีความสําคัญมั่นหมายอยู่แม้แต่แก๊กเดียวยังยังไม่พน้นยังไม่พ้นหมดหมดถือตัวหมดความสําคัญตัว คำว่าความสําคัญดูให้ออกดูให้เข้าใจความสําคัญ ừ, การคาดการเดาการหมายการคิดเอาคาดเดาคาดเอาเดาเอ า, เอาสําคัญมั่นหมายเอาแต่ความจริงไม่ใช่ ừ, ừ, เราเลวกว่าเขานะ่ะแต่สําคัญว่าเจ้าของดีกว่าเขานะเขาผิดแล้วยังเอาตัวเองไปเทียบอยู่ดีกว่าเขาสําคัญว่าดีกว่าเขาเนะี่ย นี่ก็ยังไม่ใช่เสมอเขายังสําคัญว่าเสมอเขานี่ก็ยังไม่ใช่เลวกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขาก็ยังไม่ใช่ยังมีการเอาเราไปเทียบกับเขายังมีการเอาเขามาเทียบกับเราเนยนี่คือยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เขาก็คือเขาเราก็คือเราหมดการเทียบเคียงหมดคาดหมดหมายหมดดาวหมดบังคับบัญชาหมด หมดเกณฑ์อะไร ท, ทั้งหมดเป็นธรรมชาติรวนๆเป็นธรรมชาติรวนๆเราดูที่ละเอียดไหมละเอียดมากทําไงเราพวกเราปัญหามีอยู่เต็มหัวหัวสมองหัวใจอทําไมจะหมดจากสิ่งเหล่านี้ไปได้นั่งทําให้ใจสงบพุทธิยามมากรองหาเหตุหาปัจจัยของสิ่งเหล่านี้ แค่จะดึงให้มันสงบมันก็สงบไม่ได้วกไปวักมาวกไปวอมไปแวมมาวอมแวมวอมแวมอย่นี้แหละวกไปแวมมาวกไปแวมมาทั้งนี้มันขาดอะไรเราดูสิมันขาดอะไรขาดความตั้งอกตั้งใจความความอุตสาหะพยายามการสร้างเนื้อสร้างตัวปั้นไม่ติดปันปั้นเป็นปั้นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นรูปเป็นแท่งเป็นข้อนปั้นไม่ติด ปั้นความเพียรปั้นความอุตสาหพยายามให้เป็นก้อนเป็นแ่งปั้นไม่ติดความอุตสาหพยายามไม่ถึงที่ทำไม่ทาไม่ได้ตามใจหวังดอกทาไม่ได้ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายแรกเข้าจริงๆถึงจะได้ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นแล้วเนะี่ยเอายังไม่ได้เอาไม่ได้มันยากหรือมันง่าย จับใส่มามันก็หลุดไม้หลุดมือจับใส่มามันก็หลุดไม้เลยมือจับใส่มามันก็หลุดไม้ลุ่มือหายวักแวกไปแล้วหายบอมแยมบอมแยมหายไปแล้ววักแวกวักว๊กหายไปแล้วบอมแยมบอมแยมหายไปแล้วเอามาตั้งเป็นตัวเป็นตัวสนอทละลายหายหมดแล้วหรือจะดูอะไรมันตั้งไม่อยู่สมาธิไม่ไม่แข็งแรงไม่แนบแน่นไม่มั่นคงนี่ต้องอบรมตัวนี้มากอบรมตัวนี้ให้มาก ให้ชำนาญให้ม่นชำชองอำนาจกำหนดพิจารณาให้มันแน่วแน่วมันตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่จะไปดูอะไรทันเมื่อเรานั่งรถเร็วๆน่ะดูของที่มันอยู่กับที่มันนะมันจะดูยังไงชัดต้องหยุดดูสิหยุดดูจ้องดูพลิกแปลงดูถึงจะรู้ได้ชัดจิตใจวอกวักจิตใจไม่อยู่กับที่ ก็มึงกันเรานั่งรถเร็วๆแล้วก็ดูของอะไรข้างๆทางไม่เห็นดูอะไรชัดเสยอย่างอืเห็นอะไรลางๆเรือนๆเป็นเส้นไปหมดมองปัญหาที่มีอยู่ในหัวใจก็มองไม่ออกคัดคานเดาๆแล้วก็แก้เอาคัดค้านเดาๆแล้วก็แก้เอาถูกบ้างผิดบ้างถูกนิดหน่อยดีออกดีใจผิดเป็นส่วนมากบางทีไม่ถูกเลยผิดทั้งรุ้น เพราะดูปัญหากับเหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดปัญหาดูไม่ออกดูถึงผลคือกองทุกที่มันเกิดขึ้นล้วก็ย้อนไปดูเหตุดูเหตุไม่ไม่ชัดไม่เจนดูเหตุไม่เข้าใจแก้แก้เหตุแก้ไม่ถูกแก้ไม่แก้ไม่ถูกดับไฟไม่ถูกที่ไฟไม่ดับ ดับตามหาราคะดับไม่ถูกที่ไฟไม่ดับไฟราคาไฟโทสะไฟโมหะนี่หลักมหาสติปัฏฐานถึกซึ่งเป็นภาคทฤษฎีที่ชี้ชัดมาที่อยู่ตรงนี้ที่กำหนดจดจ่อตรงนี้ที่พิจารณาตรงนี้ที่ทำงานอยู่ตรงนี้อาศัยศักดิ์แต่ว่าเอาสิ่งนี้เป็นเครื่อมาดูมาดูมาส่งมาพิจารณาใช้สติใช้สัสมมัญญะใช้สมาธิ อย่างแข็งแรงมั่นคงไม่ให้ตันหามันสวมรอยเข้ามาผู้จเจริญกิตของเราออกนอกโลกนอ ก, นอกทางที่จะไปทำมันง่ายมันง่ายไหมมันยากไหมกว่าเราจะข้ามพ้นมัตตสงสารไม่มีเราอยากเราไม่อยากอยู่ไม่มีใครอยากอยู่หรอกแต่มันไปไม่ได้เพราะหูหนวกตายังบอดอยู่ไปไม่ถูกทางหูหนวกตาบอดไปไม่ถูกทาง ไปไม่ถูกทางมองไม่เห็นทางจะไปยังไงถูกเพราะตาบอดมองไม่เห็นทางตาสติตาปัญญาบอดมันมองไม่เห็นแก้ไม่ถูกทำไงพยายามคลี่คลายพยายามขัดพยายามสีให้มันใสให้มันสว่างขึ้นขัดได้นั่งภาวนาเนี่ยแหละคดให้ใจดวงนี้ใสสว่างความสงบจิตจิตเริ่มสงบจิตเริ่มผ่องจิตเริ่มใสจิตเริ่มจิตเริ่มสงบ มันก็น้ำมันเริ่มตกตะกอนน้ำน้ำที่ตกตะกอนเริ่มตกตะกอนน้ำก็จะเริ่มใสเห็นอะไรอยู่ในนั้นมีมีมีอะไรอยู่ในนั้นเห็นมองเห็นหมดกับที่มันมีตะกอนเต็มไปหมดมองอะไรก็มองไม่ออกมันปนเปอยู่กับตะกอนไม่รู้มีชิ้นมีอะไรอยู่บ้างมาดูไม่ออกจิตมันไม่สงบกรองมาดูอารมณ์อารมณ์มันไม่เชื่องไม่ชินเรามันวอกไปจำไม่อยู่วอกมาจำไม่อยู่ แวบไปแวบมาวกไปวอกมาจับไม่อยู่มันไม่สงบมันไม่นิ่งทำไมอารมณ์อารมณ์จึงไม่สงบจึงไม่นิ่งเพราะจิตมันไม่นิ่งจิตมันไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะมันไม่สงบมาเลยตัณหามันพาดีดพาดิ้นดินรนทะเยอทยานตัณหาดิ้นรนทะเยอทยานตัณหามันอยู่กับจิตมันเอาจิตเป็นตัวดิ้นรนทะเยอทยานมันไม่สงบมันไม่นิ่ง เราจะโทษใครเราจะทำริษใครเราหูหนวกตาบอดมันจะโทษใครมืดบอดจิตใจมืดบอดสติปัญญาเรามืดบอดเราจะโทษใครจิตใจเราดำดำพุทธทั้งหมดมองไม่เห็นอะไรแสงสว่างนิดเดียวก็มองไม่เห็นโทษใครหัวใจของใครต้องขัดเองกล่าวเองพระเจ้าสอนให้ขัดพระเจ้าขัดให้ไม่ได้ขัดเอาเอง แต่ทำนี้ทำนี้ทำนี้ทำนี้บอกได้แต่อุบายวิธีเหมือนบอกพระจุลบรรทกเอกให้เอามือถูผ้านั่นแหละละโฉนังละโฉนดังลาชวนังละเขาบายอุบายทําให้เกิดปัญญาอืไม่ต้องบอกเกิดปัญญาแล้วเกิดยังไงรู้เลยโอ้ร่างกายเราในสกปรกเว้ยผ้าขาวผ่องถูไปถูไปโอ้ร่างกายนี่สกปรกเ่ยเห็นความปฏิกูลเห็นความสกปรกของกายปกติเราไม่เห็น เราไม่เห็นความสกปรกนี่ปัญญามันเริ่มเกิดเมื่อปัญญามันเริ่มเกิดใจมันเริ่มใสเริ่มสว่างความฉลาดมันเกิดปัญญามันเกิดความสว่างมันเกิดพิจารณาในแง่วิปัสสนาพึ่งเดี๋ยวได้มันรุพร้อมฤทธิ์ด้วยเดชด้วยอภิญญาจากหนึ่งจากหนคนแปลงได้เป็นพันพันคนนี้ยเราดูที่ ตอนโง่เนี่ยโง่จนท่องคาถาสองแถวเนี่ยตลอดสามเดือนจำไม่ได้โง่ขนาดไหนตอนมันมืดมันบอดแต่พอพระเจ้าท่านบอกอบายบอกวิธีทำแค่นั้นอะ่ะได้บรรลุได้มรรคได้ผลพร้อมด้วยฤทธิ์ด้วยเดช ด, ด้วยพิญญยาเนี่ยเห็นไหมเราทำไม่ถูกเราคิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีเคล็ดไม่มีคนไม่มีอบายทำไม่ถูกเอาไม่ถูกเอาไม่ออก แก้ไม่ได้แก้ไม่เปลี่ยนประเภทพุทธเวในต้องได้อบายจากพุทธเจ้าถึงจะพอถลอกบอกเปิดได้อันได้ทำถ้าไม่ใช่พุทธเจ้าแล้วก็ตีบตันด้วยอบายด้วยวิธีที่จะมาบอกประเภทนั้นก็มีประเภทฟังธรรมะจากใครก็ได้ฉลาดมีเหตุมีผลเหมือน เหมือนพระสารีบุตรน่ยฟังธรรมจากพระอัศเชิแค่นั้นแหะสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นดับเพราะเหตุฟังแค่นี้ด้วยเหตุด้วยผลแค่นี้ได้ดวงตาเห็นธรรมพระสารีบุตรไปเล่าให้พระโมคคัลลาะฟังโกลิตะโกลิตะติสสะกับโกลิตะโกลิตะโมคคัลลาะติสสะ ปฏิสสะภาษาทีบุตรกอริตะมุคลานะไปพูดว่าทำเราได้เกิดจากเหตุอทำเหล่านั้นดับเพราะเหตุดับแค่นี้ไปเล่าให้พระมุคลานาฟังเพราะอรค์มุคลนะได้โดวตาเห็นธรรมอีกนี่นนี้สายมันต่างกันนะบางคนต้องฟังจากพุทธเจ้าถึงจะได้บรรลุบางคนฟังกับภะษาวก ที่เป็นอัตเป็นธรรมเพราะความฉลาดันรู้ได้รู้ได้ปพระเพชปึ๊กแท้แท้เนี่ยต้องรู้ที่ย่ำถึงจะมองเห็นอุบายวิธีมาบอกมาสอนถึงจะเปิดได้เหมืนงั้นเปิดไม่ได้เปิดไม่ออกอ่าวันนี้เอาแค่นี้แหละไปภาวนาไปหาเปิดจิตเปิดใจตัวเองไปไปเนหมดทั้งคืนก็แ ล, ล้วกันแหละ